ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวงพุ่โพธิญาณในวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมุเทศสี่ประการซึ่งก็เป็นแนวในแนวของภาวนาประทานคือเพียรพยายามเจริญกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตแต่ก็เป็นอยู่สองแนว คือเป็นแนวของการปรับจิตให้ยอมรับความจริงและลดละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเล่านั้นลงไปกับแนวที่มองให้เห็นโทษแล้วก็พยายามบรรเทาหรืออย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปเป็นธรรมะที่พระเทระอราหัน์คือพระรัตถปาละหรือพระรัฐบาลท่านกล่าวตอบคําถามของพระเจ้าโกรประยะซึ่ง มันมีความค้องใจสงสัยว่าทำไมคนอย่างพระรตาปาละเนี่ยซึ่งเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลเนี่ยทำไมจึงสละทรัพย์สินเงินทองไปแล้วก็เดี๋ยวพิขาจารย์บิณฑบาตคำไหนอนอนนั่นกันอยู่เช่นนี้มันเป็นการมองปัญหาในจุดเดียวกันแต่ว่าพื้นฐานจิตมันแตกต่างกัน คือระยากวดระะท่านมองเห็นว่ามันน่าจะเสวยสุขด้วยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันน่าจะบริโภคใช้ส อ, อยู่ครองเรือนครองสุขจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่พระรัฐบาลท่าน ต, ตอนนั้นท่านเป็นพระหานแล้วนะแต่ว่าจริงๆตอนท่านบวชเนี่ยก็ความคิดไม่ธรรมดา คือท่านได้ฟังธรรมะในสํานักของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จไปในเมืองที่ท่านอยู่แล้วก็เห็นคนไปกันเป็นขบวนเพื่อไปผ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ตามไปด้วยฟังธรรมะและมันซาบซึ่งดื่มด่ํามากก็มองเห็นว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยจะพลึประพฤติบริสุทธิ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วเพราะต้องบวช วัในใที่สุดก็เข้าเฝ้าเมื่อคนก็กลับแล้วเนี่ยท่านก็ล่าหลังอยู่แล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอบวชตอนนั้นมันมีพระพุทธบัญญัติห้ามบวชคนที่พ่อแม่ไม่อนุญาตแล้วพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งถามว่าพ่อแม่อนุญาตให้บวชได้อย่างกันบอกไปยังก็เราสั่งว่าให้ไปขออนุญาต ก, ก่อน เคยมาบวชทั้งก็ไปนะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมนะฮะเพราะลูกโทนคนเดียวแล้วก็หัวแก้วหัวแหวนนั่นนะฮะเหมือนก็ทอดทิ้งท่านไปไอ้ตรงเนี้ยมุมมองตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าคือถ้าเราคิดแคบแคบเนี่ยเราคิดแคบแคบยังมีคราวหนึ่งที่มีการวิาพากวิจารณ์ที่จริงมันวิจารณ์รัฐบาลสมัยนั้นนะวิจารณ์รัฐบาลสมัยจพลปนะะ แต่ว่าไม่กล้าด่าตรงๆก็ลามปามมาวิจารณเอาพระเวสสันดรทีนี้พอพระเวสสันดรก็พูดไปพูดมาก็วิจารณ์มาถึงพระพุทธเจ้าทอดทิ้งลูกทิ้งเมียใจร้ายไม่รับผิดชอบลูกยังเล็กๆทอดทิ้งไม่ได้ยังไงไปกันหายเลยนั่นคือมุมมองมุมมองของคนที่เรียกว่ามันก็ใช่แนวอัตตาบิสัยแต่วุฒิภาวะมันตำ่ำ แล้วก็มองก็ตัดเท่าน้อยแต่แคบแคบแต่พอตัวแต่ว่าการมองโลกมองชีวิตที่มันให้เข้าถึงแก่นแท้ของความจริงแล้วหาประโยชน์จับมันให้ได้เนี่ยกจะเห็นว่ า, เ, าเช่นสมมติว่าลูกมีอุปนิสัยบารมีเข้มแข็งมากพอที่จะบวชแล้วเนี่ยสามารถ ปฏิบัติทมหลักของศีลสมาธิปัญญาจนบรรลุมรรคผลได้หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็รสร้างสรรพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้นะเราเห็นว่ามันจะต่างจากการเป็นเศรษฐีตั้งเงยอะเลยนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นจะทำประโยชน์แก่สังคมได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่แน่นอนคนเหล่านี้ก็จำนวนไม่มากหรอกสมัยพุทธกาลก็ไม่มาก แต่ว่ามันทางเลือกเนี่ยผลประโยชน์ที่ท่านเหล่านั้นทำมันจะยั่งยืนถาวรมากกว่าเหมือนกับผลประโยชน์จากการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละแต่มุมมอ ง, งของราชวงศ์ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะหนักไปทางการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระพุทธจเจ้าเองเนี่ยหนักไปในทางที่จะเป็นพระพุทธเจา้า มองโลกไปเดียวกันนะฮะแต่ก็มองต่างกันเพราะในแนวแนวมองที่ต่างกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยคือวาสนาบา ร, รมีตัวตัวอยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยคือบา ร, รมีคนเนี่ยมันยิ่งยอนไม่เหมือนกันการคิดการเลือกการตัดสินใจสิ่งนี้คนหนึ่งมองเห็นเป็นฆ่ามหาศาลที่ตัวเองจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเอาไว้ อย่างอย่างเนี้ยอย่างบางคราวเราจะเห็นว่าเช่นว่าโจนต้นในเงินมีสี่ซ้าห้าร้อยเนี่ยโจนต้นต่อสู้ขัดขืนจนถูกฆ่าตายแต่คนบางคนที่มีเงินสี่ห้าพันนะสี่ห้าหมื่นอยากจะเอาก็เอาไปเจ๊ไม่ต้องมาปลน้นเราเสียเวลาเปล่าเราก็เสียเฉพาะเงินแต่ไม่ถึงเสียชีวิตอันนี้มันเกิด ก, การมองว่าเงินสําคัญกว่าชีวิตหรือชีวิตสําคัญกว่าเงิน แต่เมื่อถึงข่าวต้องเลือกเดี๋ยมันเลือกได้อย่างเดียวก็ต้องเลือกสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญกว่าอาการเหล่าเนี้ยมันมันท่านกล่าวไวไ้เป็นเป็นคํากล่าวที่ไพเราะมากคือท่านสะท้อนให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าโกราปยะท่านคิดหรอกแท้จริงแล้วเนี่ยโลกอัญชล า, านําไปใกล้ไม่ยังยืน โลกมันคนชีวิตมันเกิดมันไหลก็สู่ความแก่อยู่ทุกคนเนีน่เกิดแววมาถึงก็แก่เลยนะฮะแก่ไปตลอดระยะเวลาเลยเพียงแต่วันอยู่ในช่วงแก่ปิดหรือแก่เปิดเท่านั้นเองแก่ปิดท้าเรียกว่าปฏิจจานะชราคือความแก่อย่างปกปิดอยู่เราเรียกว่าเจริญที่จริงก็ชื่อแปลกนะฮะเจริญก็คือเจริญวัยก็แปลว่าเสื่อม แปล ว, ว่าความเจริญที่ออกมาในด้านความเสื่อมจะออกมาในด้านของความเจริญพอ ถ, ถึงจุดหนึ่งความแก่ก็ปรากฏตัวชัดเจนออกมาเขาเรียกอัปปิจจา น, นัชราคือแก่ที่ไม่ได้ปกปิดแล้วทีนี้จากความแก่ตรงนี้ยสมมติว่านะฮะสมมติว่าพ่อแม่เราแล้วก็ลูกแล้วก็บอกว่าอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้จนตายไปก่อนถึงจะบวช พอแม่ตายก่อนจึงบวชปัญหามันก็เกิดขึ้นเต็มทีว่าแล้วใครจะตายก่อนเอจะรู้ได้งไงเห็นไหมลูกตายก่อนพ่อแม่ไปเยอะไปพ่อแม่ตายก่อนลูกก็เจอะไปฟันชีวิตเนี่ยมันเอาอะไรไม่ได้เพราะบนเส้นทางของชราเนี่ยไอมอรณะมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตัดทําลายชีวิตของบุคคลได้อยู่ทุกขณะ พฤติการในการครองชีวิตมันอยู่ที่การไม่ประมาทในเรื่องชีวิตไม่ประมาทในวัยเพราะเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่ยังต้องอยู่ได้อีกนานเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอยู่ได้อีกนานคือเราไม่รู้อะไรเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพอชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นาทีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่รู้วินาทีหน้าจะอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้เลย นั่งอยู่ดีๆเกิดอัติเหตุตายก็ได้เราไม่รู้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันไหลเข้าไปสู่ชราเนี่ยเราจะเอามาเป็นข้ออ้างเนี่ยเาจะต้องอยู่ก่อนเดียวก่อนค่อยก่อนแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะจะไม่ตายอย่างที่ท่านอุบาสกคนหนึ่งขอให้พระพุทธเจ้ารับประกันรับประกันท่านนะ ให้รับประกันชีวิตว่าท่านอยากจะไม่ตายในวันพรุ่งนี้แล้วรับประกันศรัทธาวันมะรืนนี้นะวันมะรืนเนี่ยท่านจะไม่ตายแล้วก็ศรัทธาของท่านต้องอยังอยู่พระเจ้าสรงรับประกันชีวิตว่า อ, อีกสองวันเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยคุณต้องรับประกันเอาเองพระเจ้าทรงมีพย า, ยานทรงอย่างรู้ แต่ถามมาให้เราประกันนี่เราประกันได้ไหมเราไม่กล้าเพราะตัวเราเอางรับประกันไม่ได้เลยเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายยังไงเนี่ยเรายัางไม่รู้เลยนะพอขึ้นโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยนะมันต้องคิดไปเลยนะฮคือถ้าเข้าโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยอาจจะตายก็ได้อาจจะรอดก็ได้ห้าสิบห้าสิบไปเตรียมใจที่จะตายหนักไว้ คนต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างการเจ็บความปวดอาการเสียดแทงของโรคในเป็นอารมณ์กรรมฐ า, านได้ได้จเจริญเป็นอันนีจ้จะสัญญาบ้างทุกขสัญญาบ้างถ้าตายก็ก็ดีเหมือนกันถ้ารอดก็ดีเหมือนกันเพราะการมองชีวิตในกระบวนการที่เลื่อนไหลไม่คงที่และพร้อมจะแตกตับ ความชรามากับเครื่องชีวิตเข้าไปกลายความแก่แก่อยู่ทุกขณะเจ็บอยู่ทุกขณะด้วยนะ่ะจริงก็ตายอยู่ทุกขณะเพราะฉะมันจึงมีคำคำหนึ่งเขาเรียกคณิกะมรณ ะ, รณะคือตายอยู่ทุกขณะตัวส่วนต่างๆของร่างกายเซลลต่างๆของร่างกายมันตายไปเรื่อยๆแต่ว่ามีสันติคือมันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ก็ทําให้ชีวิตเราแต่จุดใดที่อะไรเราเขาเรียกว่าอายุขาดเราหายใจดับ อายุขาดไออุอ่นหมดนะก็บจบประเดีที่จริงก็อยู่ที่ลมหายใจดับนะพอลมหายใจนั้นมันก็เรียกกายสังขารคือสิ่งที่ปลนปลืรือจิตใจปลน ป, ปลืรือร่างกายของเราให้มีความ ด, ดั่งลมอยู่ได้แล้วก็ต่อไปท่า น, นบอกว่าโลกไม่มีเครื่องป้องกันไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเราไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นอะไรต่ออะไรในก่อ เพาก็จริงมันไม่มีอะไรป้องกันแล้วมายัางนึกถึงไอ้ที่ไปไหนแล้วมีรอปภอราขากันปรับปรับเนี่ยนะจริงๆคนเราถ้าความตายมาถึงแล้วไม่มีใครรักษาได้ครับยังนึกถึงพระเจ้าสุ ป, ปพุทธะก็มีศัก์เป็นลุงพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นพ่อตาด้วยนะฮะตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะเนี่ย พระเจ้าทํานายว่าท่านจะถูกโทรณีสุขที่เชิงบันไดของปราสาทในวันที่เจ็ดหลังจากที่ท่านได้ปิดกั้นทางไม่ให้พระพุทธเจ้าพระทหานต่หลายเดินบินระบาดท่านก็ต้องการจะท้าทายนะฮะไม่ได้วันไม่ตกอะไรตั้งกองอาละขาไว้เยอะยะไปหมดเลยว่าถ้าท่านออกมาจากปราสาทเนี่ท่านเข้าอยู่ในปราสาทถ้าไม่ยอมออก แต่พอถึงวันที่เจ็ดมีเหตุต้องออกแล้วก็ไม่มีใครที่ป้องกันท่านไว้เลยก็ต่างคนต่างก็ผลากไสลงมาเลยและทั้งก็ตกนรกไปเพราะเราที่เรารู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นไอ้นั้นเป็นของเราไอ้นั้นเป็นเรามันเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใหญ่จริงนะฮะเราไม่ได้ใหญ่เหนือใครเลยแล้วภาพที่เห็นเนี่ยภาพของชีวิตกับความตาย อาตมาตามปกติแล้วไม่ค่อยมีโอกาสไปเกี่ยวกระสบอะไรเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดมามันไม่ไ ม, ไม่อยเจอแต่ว่าเคยไปมีส่วนในการดับธาตุเนี่ยอาจารย์อุปชานะฮะอาจารย์อุปชาสามสี่รูปท่านเหล่านั้นก็สมัญนาศักดิ์สูงเป็นชั้นธรรมนะฮะเป็นชั้นธรรมเป็นราชคาณะมีฐานะมีตำแหน่ง แต่ฝนสุดท้ายก็ปลอนอผ้ไปแล้วก็กระดูกแมมันนิดเตียงจรเลกระดูกก็ยังนึกว่ากรอบสักสองกรอบกรอบใหญ่ๆนะกรอบหมดได้นึกว่าเออชีวิตมันก็ทำนี้เองแต่ว่าคนเวลาเกิดมาเนี่ยมันพยายามจะใหญ่พยายามจะโตดิ้นรนเพื่อความเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆ แล้ ว, ว่าจริงพอตายเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะจัดการยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือคือคติชีวิตที่อย่างน้อยก็สอนจิตใจตัวเองไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องควนขวายอะไรมากหรอกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ตรงไหนก็ตามทาหน้าที่ดีที่สุดพอแล้วไม่ต้องดิ้นรนเพื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นทำมันมาให้ต้องได้ต้องมีต้องเป็นก็ว่ากันไปก็ทางานกันไป การดิ้นรนเนี่ยเป็นอาการที่สะทอ้อนดนเห็นถึงอาการของกิเลสด้วยแล้วสะทอ้อนใ้เห็นถึงการไม่ยอมรับความจริงของชีวิตด้วยว่าเราจะเป็นใหญ่หรือเล็กเนี่ยเราก็ตายอย่างที่ท่านสอนไว้เป็นคำกรที่ว่า ยศได้ล่าผาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเปาไฟนั่นคือความจริงชีวิตคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดไม่ให้มากอะไรเนี่ยนะปัญหาต่างๆที่บุกทำลายป่าซึ่งวนของชาติเป็นพันๆไร่อย่างนี้โอ้โหมันเอาไปทำอะไรนักหนา เกิดมาใส่แผ่นดินแล้วก็โกยจากแผ่นดินจนว่าไม่ได้ชิงอะไรมาให้ลูกหลานเลยผลลัพธ์นี้เอาอะไรไปไม่ได้นะแต่ที่ท่านตั้งคําถามเอาไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะสุขสนุกสีนไนเจ้มามือเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามามันไม่มีอะไรที่เราใหญ่จริงๆเป็นเจ้าข้าเจ้าของจริงๆ พุทเจ้าทรงแสดงว่าคนเราไปบนเพอ้อไปว่าบุตรของเราพัญญาของเราทรัพย์สินเงินทองของเราเลือกสวนไดนาของเราอะไรของเราของเราเนี่ยอเอาแค่จริงในตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยเราไม่ได้ใหญ่จริงและที่น่าคิดมากอย่างหนึ่งเนี่ยที่จริงก็ควรคิดบ่อยๆนะคือไปงานศพเนี่น่าคิดคนใหญ่คนโตนี่ใหญ่โตยังไงเล็กกว่าโลงหมดเลย เพราแสดงไม่ใหญ่จริงตอนเรามีชีวิตยอยู่เนี่ยเราหลอกตัวเองเตียงก็ต้องใหญ่บ้านก็ต้องใหญ่อะไรก็ต้องใหญ่ต่างใหญ่ตัางใหญ่แต่ที่จริงในขณะนั้นแหละมันก็สอนเราอยู่เรานั่งเท่าที่เรานั่งได้เรานอนเท่าที่เรานอนได้เรายืนเท่าที่เรายืนไดนะมันก็เต็มสัดส่วนของร่างกาย นั่งก็ตามที่ก้นมันแผ่ไปถึงได้ยืนก็เท้าที่เทเท่าเท้าเท้าบันยับถึงได้นอนก็เท่าที่ร่างกายมันมันแผ่ไปถึงมันก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ว่าเราอยู่เลยกลายเป็นมายาเป็นการปรุงแต่งเป็นการสร้างสรามขึ้นปรุงแต่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆให้ึสผู้ใหญ่ แต่ถ้าเรามองอีกทีหนึ่งนะฮะเราเมื่อเรานอนบนเตียงใหญ่เนะี่ยเรายิ่งตัวยิ่งเล็กกนะันเตียงยิ่งใหญ่เนะี่ยเรายิ่งเล็กเลยมันเป็นการยืนยันถึงความจริงว่าคุณจะยังไงยังไงก็ตามแหละคุณร่างกายคุณก็แพ้ไปเท่า น, นั้นแต่การต่อไปนั้นใช้คําว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี่ยืนยันถึงความเป็นอนัตตานี่คือแสดงถึงความเป็นอนัตตานะคร อนตาในความหมายเนี่ยจะแน่แสดงไว้เยอะหลายนัยยะด้วยกันแต่ว่าที่คุ้นๆเนี่ยแสดงไว้มากแล้วก็ปรากฏเท่าที่พบในพระบาลีด้วยนะฮะคือยืนยันได้ว่าเป็นพระกุบาลีพุทธวจนะเนี่ยมันก็มีอยู่สีเรื่องใหญ่ หนึ่งคือเราบังคับบัญชาอะไรให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้จงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าแพ้ปลาอย่าสูญเสียอย่าปวดอย่าเมื่อยเนี่ยเราบังคับไม่ได้นั่นแสดงใ น, นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ร่างกายเรามันไม่ได้ของเราจริงๆเราสาบประคบประมงมเดือดร้อนกับมันเนี่ยวันๆเนี่ยเยอะเดือดร้อนกับร่างกาย แต่เอาก็จริงแล้วเราก็พูดจากับมันไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้เป็นของเราจริงๆแล้วในสุดเราก็ต้องทิ้งมันไปตรงกันข้ามกับลัทธิความเชื่อเรื่องอัตตาตัวตนแต่นี้มันไปนตรงกับตรงเนี้ยทีนี้ตรงเนี้ยที่จริงมันไปไปเชื่อมโยงกับเรื่องเรื่องอนัตตานะฮะไม่ไปเชื่อมโยงอัตตาแลยไปเชื่อมโยงอนัตตาไปเชื่อมโยงกันที่ผ่าน แต่เป็นคนละด้านนะเป็นความจริงคนละด้านทรงใช้คำว่าอัตตาวิปัคขภาวตโตแปลว่าทรงงานข้ามกับอัตตาหมายความอัตตาตัวตนเป็นความเชื่อในลทัทธิสังขยะนะฮะสังขยะานะที่กรุงพราหมณ์นะทุกิงทุกวันพราหมณ์ก็ยังเชื่อแนวนั้นอยู่คือถือว่าชีวิตมันมาจากสิ่งสูงสุด ซึ่งอาจจะเรียกว่าพระพรหมอาจจะเรียกว่าพรหมมันอาจจะเรียกว่าปรมัตถมันเดือาามหาตรมันก็แล้วแต่ยุคสมัยทีย่เขาเรียกนะแล้วหน่วยย่อยที่กลายเป็นสรรพชีวิ ต, ตทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ไปอยู่รวมอยู่รวมนะฮะาศาสนาพราหมณ์เนี่ยอยู่รวมเลยไม่ใช่อยู่ร่วมอย่างพวกคริสต์อิสลามเนี่ยเขาอยู่ร่วม แต่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้าผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือ ไ, ไปอยู่ด้วยกันพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีอัตตาอย่างนั้นอัตตาอย่างนั้นไม่มีจริงหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องอายุยืนคือเป็นพรหมที่อายุยืนแล้วก็เลึกชาติตัวเองได้เพียงชาติเดียวสชาติเนั้ แล้วก็ขีดเส้นเอาว่าเราก็มาจากนั้นมาจากพรหมก็จะ ก, กลับคืนไปสู่พรหมก็ท่านนั้นเองมันไม่มีอะไรเป็นคนที่รู้ไม่ตลอดแล้วกลายเป็นพวกทิฏฐิต่างๆขึ้นมาจนหกสิบสองทิฏฐิเนี่ยในพรหมชาลสูตรที่จริงก็แนวเนี้ยแนวที่มองไม่ตลอดสายบ้างขาดเดาเอาบ้างความรู้เอท่านรู้เท่านั้นน่ะรู้จํากัดอยู่เท่านั้นบางแล้วแต่แต่ว่าไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่จริงๆ พอย่อยไปแล้วมันเป็นศูนย์มันไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราอะไรเป็นของเรานะอย่างในวัดบางวัดเนี่ยตาติภพเป็นที่วัดมังกรเนี่ยมีอยู่หลายชะลาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคือไปเห็นแล้วว่านั่งคิดอยู่นานึ้นไม่เข้าใจนะคือไม่เข้าใจว่าไม่หมายถึงความตายทั้งหมด พขาดูแล้วมันจะขัดแย้งเขาไปดีก็ไปเจอคําอธิบายครับท่านบอกว่าไปไม่กลับนะคือการเวลาหลับไม่ตื่นเนี่ยคือมิจฉาทิฏฐิคือคนที่เห็นผิดให้มีบาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกนี้หลับไม่ตื่นนะปลุกไม่ตื่นแล้วฟื้นไม่มีในคนตายนะฮะหนีไม่พ้นนี่คือกฎของใจหลักพอเกิดมาแล้วก็แวมันก็ตกอยู่ในกฎตรงเนี้ย เพรทุกอย่างเราต้องทิ้งไปแล้วใครทิ้งใครก่อนก็ไม่รู้นะที่สอนให้เราสอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพราดลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปอันนี้อาการทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่าเป็นอาการของใจรักเป็นเน้นที่ตัวทุกข์กระสับเป็นการมองและให้ทําใจยอมรับความจริงตามสภาวธรรม เพ่อไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปเดือดร้อนก็นอะไรมากเกินไปนะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยอมรับความจริงแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายแก่แล้วนี่จะทํำยังไงหรอเจ็บแล้วนี่จะทํายังไงนะตายก็มันก็ต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรประการสําคัญที่สุดก็คือโลกเนี่ยมันมันมันไม่รู้จักคําว่าพอไม่รู้จักคําว่าเต็มคําว่าอิ่มคําว่าหยุด การใช้คํำบดีนะฮะดีบอกว่าโลกพร่องเป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทา่าแต่งตันหาอูโนโลโกติโตตันห้าดาโซเป็นทา่าของตันหาตันหามันผักใสสืกใส่ให้ได้ให้มีให้เป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็ยุ่งยุ่งอย่างเงี้ยแล้วถามมาเมื่อไหร่หละจะพอเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะหยุดการแสวงหามันก็ไม่พอไม่เต็มไม่อิ่มไม่หยุดในการแสวงหา ันสภาวะเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ท่านมองว่ายังไงอยาดถึงกับเป็นธาตุมันตนามันเป็นนายเราข้ามพบข้ามชาติมันผลักใสเราไปสู่สังสารวัฏ ช, ช, ชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยทํายังไงว่าต่อสู้บ้างขัดขืนบ้างบรรเทาบ้างทําลายเสียบ้างเพื่อไม่ให้กําลังมันมากเกินไปจนเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่า ใครก็ตามนะที่ตกเป็นทาตของตหาคก็จะมีแต่ความเรือดร้อนเหตุตรงนี้เราเห็นว่าเป็นการพยายามพิจารณากับพยายามลดละเพื่อพยายามในทุกศาสตร์กับสมุทัยศัสตร์จึงเป็นหลักการปฏิบัติที่ไปลงรอยเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก็จะแนกแสดงไว้โดยประยายต่างๆเท่านั้นเองถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกัน กระแสของตัญหาที่ทําให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยมันนําความทุกข์มาให้อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสืออุทานธรรมว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอจะ ถ, ถึงจุดหนึ่งในต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักหยุดจะบ้างมันจะเอาอะไรไปนักหนามีอะไรไปนักหนา เพราะว่าการที่เรามีมากเนี่ยโลกมันสูญเสียมากบางครั้งก็กลายเป็นความขัดแยง้งที่ยากต่อการสัสางยังมีเรื่องนะฮะปัญหาในแนวเนี้ยถือ้าเรามาเทียบกับหลักตรงนี้เราจะเห็นว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองทั้งฝั่งทั้งหลายใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี